เพราะว่าเป็นสูตรที่แสดงธรรมะโดยท่านภาษาริบุตรท่านทรงแสดงเนี่ยคือในทั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงในเรื่องของาาฐานกถาสีลกถาสัขากถากามาทีนวกักกถาเนคขามานิสังสักถาสรุปลงในอริยสัจตธรรมทั้งสี่แสดงแบบโดยย่อไม่ได้แสดงโดยทิสดใดๆนะตรงนี้จะดูในพระสูตรนี้ที่ว่าท่านอนาถปิณฑิกาเนี่ยนะ ในอนาถาปิณิโกวาทสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันก็ที่ตรงนี้แหละอารามของท่านอนาถาปินิกาเสษฐีพระนครสาวัตถีสมัยนั้นอนาถาปินิกาเสตถีป่วยทุกขเวทนาเป็นไข้หนักป่วยหนักและตอนนี้ใกล้จะเสียชีวิตแล้วนะท่านก็ดำรงชีวิตของท่านด้วยกทานนบดีเป็นทานนบดีมาทั้งชีวิต ดูแลอุปถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำกิจของตนเองตามหน้าที่อย่างมากมายหาประมาณมิได้เลยใช่ไหมเจตนาทางที่ท่านวาดลงในาศาสนาของพระชินเจ้าอันปเปิดเนี่ยท่านทำมาอย่างต่อเนื่องทำทุกวันไหมทำทุกวันท่านเข้าวัดทุกวันนั่นแหละท่านไปท่านก็ชื่นอกชื่นใจทุกวันในการติดไม้ติดมือไปในการที่จะนำ อาหารนำของกินของเคี้ยวทั้งหลายเหล่านี้นะท่านไปตามเวลาท่านรู้ข้อมูลไหมอาณาถาปินทิกาเศรษฐีเนี่ยรู้ไหมว่าสัพพุริสถาน5้าเนี่ยนาถาปินทิกาเศรษฐีท่านจะรู้ไหมท่านรู้ไหมว่าศรัทธาทานการให้ด้วยศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกรรมชัดเจนใช่ไหมท่านรู้เกี่ยวในเรื่องของศักดิ์จทานไหมกรณีการให้ด้วยความนอบน้อมให้ของสะอาดเป็นต้นเหล่านี้ยท่านก็ต้องรู้ใช่ไหมและอนาถาปินทิการเศรษฐีท่านก็รู้การทานว่าการไหนควรให้อะไรเป็นต้นเหล่านี้ แกบุคคลไหนพระพิสูจประเภทไหนควรให้อย่างไรควรเจริญทานกุศลอย่างไรพระที่มีร่างกายผอมๆเวลาท่านจะไปถวายจีวรท่านก็ถวายจีวรแบบไหนดีเนี่ยนะพระที่มีร่างกายอ้วนๆอย่างเงี้ยท่านถวายท่านถวายของเป็นหมดแหละอาหารหวานขาวอะไรต่างๆท่านพิจรารณาไม่ใช่เองรเราเนี่ยเราเอาใจเราเป็นใหญ่ชอบอะไรก็เอานั้นเลยให้แต่มากเราเป็นย่งนัน้หรือเปล่าเวลาให้ทานเนี่ยเอาตัวเองชอบ ดีนะไม่ชอบเหล้าชอบสุสล่าโซลาเหล้าไปถวายผ้ายุาย่งนั้นการละทานสําคัญไหมเหมาะสมแก่การเหมาะสมแก่บุคคลทั้งหลายเราเนี่ยเนะี่ยผลก็ต่างกันออกไปนี่บอกเรียบร้อยไปเรียบเสร็จแล้วแล้วก็นุขหิตาทานก็คือให้แบบสละอย่างเด็ดขาดเลยใช่ไหมไม่ยึดติดแล้วประการต่อมาคือให้แบบไม่กระทบตัวและบุคคลอื่นนั้นท่านเศรษฐีท่านฟังข้อมูลเหล่านี้มาอย่างดีนะ ท่านก็แยกแยะได้ในเรื่องของทานเนี่ยนั้นท่านเศรษฐีท่านจะเข้าใจทั้งธาสุทานทั้งสหายทานทั้งสามีทานท่านก็เข้าใจรายละเอียดตรงนี้เยอะถ้าพูดถึงทานนี่นะในส่วนของทานเนี่ยเศรษฐีเนท่านมีข้อมูลในเรื่องของทานอย่างดีแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทานนกุศลที่ท่านมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นหมวดทานต่างๆอะไรเนี้ยในเรื่องของทานเนี่ย สามีทานเนยธรรมทานท่านก็เข้าใจการให้ทานด้วยมือของตนเองหรือการใช้ให้ผู้อื่นให้หรือรสัมปชาณ а ทานสัมปชาณทานการให้ทานที่แบบมีข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในผลของทานอย่างดีการการให้ทานที่ไม่รู้ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ในผลของทานเป็นอย่างดีอย่างเราเนี่ยถ้าถามว่าให้ข้าวเนี่ยเรารู้ไห้ผลของการให้ข้าวเป็นยังไง ให้น้ำผลของการให้น้ำเป็นยังไงให้เสื้อผ้าผลก็การให้เสื้อผ้าเป็นยังไงในรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ในรายละเอียดเดี๋ยวเวลาขึ้นบนรถเดี๋ยวพระท่านจะไปแจกแจงให้นะเช่นให้ผ้าเป็นทานจะได้อะไรให้น้ำเป็นทานจะได้อะไรให้ของหอมเป็นทานจะได้อะไรผลยังไงไม่สร้างเหตุแบบนี้จะได้ผลยังไงให้ข้าวเป็นทานจะได้ยังไงอย่างเงี้ยสร้างที่อยู่อาศัยเป็นทานแล้วจะได้ยังไงให้อาสนะเป็นทานแล้วจะได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะ ในรายละเอียดตรงนี้อีกเยอะเลยนะเรื่องทานเนี่ยท่านเศรษฐีไม่ต้องเป็นห่วงท่านเพราะท่านชำนาญเรื่องทานถึงเป็นฐานนะบดีเนี่ยแต่เราเนี่ยยังไม่ชำนาญเรื่องทานเลยพอพูดเรื่องทานตรงทีเรานึกว่าเราเข้าใจแล้วไงแต่เรายังไม่รู้รายละเอียดเลยนะว่าให้แบบนี้ผลยังไงยังไงวางใจอย่างนี้จะเป็นยังไงวางใจด้วยความโลภโกรธหลงนี้จะเสียหายยังไงจะจะเศร้าหมองอย่างไรเงี้ยในรายละเอียดนะัก็คือสัมปชาญญะทานการมีข้อมูลความรู้ความเข้าใจในผลของทานอย่างดีด้วย เขาเรีสัมปชาณทานอสัมปชาณทานก็คือว่าผลของทานเนี่ยนะก็ถ้าถามบอกว่าสัมปชาณทานการทำที่มีความรู้ความเข้าใจกับสัมปชาณทานเนี่ยถ้าสัมปชาณทานเมื่อเวลาส่งผลแล้วให้ผลเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติพร้อมด้วยปัญญาเป็นต้นนะอย่างเงี้ยการให้แล้วมีมีความเข้าใจอย่างดีเข้าใจละเอียดละอองเข้าเข้าใจสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำอารมอย่างดีของทานนั้น เวลาทานนั้นให้ผลเนะี่ยนอกจากมีทรัพย์ไม่พอยังเป็นคนฉลาดด้วยเนงะี้ยเคยเห็นคนรวยแล้วเป็นโลกเอ๋อมัไหมแบบปัญญาอ่อนนะ เ, อ เ, เ, อเนี่ยเยอะเลยเออเอาเงี้ยรวยอย่างสูงสุดเลยแต่กลายเป็นคนโง่เอาไหมเป็นคนโง่แต่เป็นเจ้าของทรัพย์เป็นมีเงินร้อยล้านแต่โ ง, ง่เอาไหมไม่เอาก็ไม่ได้ถ้าสร้างเหตุแล้วถ้าสร้างเหตุเหตุเป็นแบบนั้นแล้วผลก็ต้องได้อยู่แล้วใช่ไห ม, มันไม่ใช่ว่าเรา ว่าทําอย่างนี้แล้วมันจะได้นะมันต้องว่าสร้างเหตุถูกไหมถ้าประกอบเหตุถูกอะถ้าสร้างให้ทานไปแล้วหงุดหงิดเนี่ยไปทําบุญมาเบษษีดเสร็จพอกลับมาแล้วก็มาโกรธเงี้ยอันนี้ก็เรียกให้ทานแล้วมีอะไรเป็นบริวารมีโทรศัพท์เป็นบริวารต้องระวังไว้แล้วให้ทานไปแล้วกลับมาก็มาลุ่มหลงมัวเมาถีนะมีทาครอบงําอันที่เสียอีกก็มีพวกนี้เป็นบริวารอีกดังั้นให้ทานก็ต้องให้สว่างสวัยทั้งวันดีไหม นั้นก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวัตตานิสิตาทานก็คือการให้ทานปรารถนาโภคสมบัติร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปรารถนาเพราะว่าสมบัติต้องการให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเงนะี้ยนวิวัตตานิสิตาทานก็คือการทําบุญที่ไม่มีความปรารถนาโภคสมบัติเลย แต่ปรารถนาสัมมาสัมพทิญานปรารถนาปัเจกับพอิยานปรารถนาอัคราสาวกโพธิยานเนี่ยนะปกติสาวกโพธิยานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาที่เราให้ทานเราปรารถนาอะไรใครปรารถนาโภคสมบัติบ้างปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติโภคสมบัติร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรใครปรารถนาแบบนี้ไหมถ้าปรารถนาอย่างนี้เขาเรียกว่าวัตตนิสิตะทานการให้ทานแล้วปรารถนาโภคสมบัติ แต่ถ้าคนมีข้อมูลอีกมุมหนึ่งก็คือว่าให้ทานแล้วปรารถนาปกติสาวกโพธิญาณแล้วอะไรอีกมหาสาวกโพธิญาณอัครส า, าวกโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณแล้วก็สัมมาสัมปวิญาณ5อย่างนี้ใครปรารถนาอะไรเนี่ยเอาปกติสาวกเอาเอาสาวกนะเอาปกติสาวกหรือเอามหาสาวกหรือเอาอัคราสาวกหรือปัจเจ ปเจกับพลวิญญาณหรือสามาถบริญญาณยมลีไปะนะอะไรเอาทุกอย่างแล้วโอ้โหนี่ฮะอาจามีชัยว่าไงเนี่ยเนี่ยถ้าอยากยมลีตอบอะไรที่ต้องนึกถึงอาจารมีชัยไว้เนียเพราะอาจมีชัยให้ข้อมูลเยอะมารยาหลังเนี่ยเรียกมายมรีเจอหน้าเอาว่าไงอา้าว่าไงเนียอาตัางหลังเกียงวันนี้เขาเลยเรีย ก, เ ร, ยกเรียกมาแล้วเอาแล้วไอวข้อมูลน แต่ยางมาก็ให้ข้อมูลใหญ่แต่มาก็แอบฟังอยู่เลยเอ๊ะทำไมสองคนพูดกันคนละเรื่องไหมไ <c oughs> อกคนนี้จริงพูดเรียงว่าต่างหลังเกียงนี่เป็นชื่อชื่อชื่อเดิมของเธอเนี่ยเป็นชื่อจีนแต่คนไม่เข้าใจจะชื่อไทยไทยก็เรียกย ม, มารีนามสกุลใจเลิศนี <c> ่บ <oughs> ันทึกไว้แล้วนี่ <c oughs> ไม่ต้องทักบ่อยๆทั้งนั้นเดี๋ยวนั่งเราก็คือว่าเนี่ยปรารถนาก็คือว่า ถ้าปราถนาโพคาสมบัติสวรรคสมบัติมนุษสมบัติในพรมสมบัติในสังกสมบัติอันนี้เขาเรียกวัตตะนิสิตะทานเป็นการให้ทานและปราถนาวัตตะซึ่งไม่บริบูรณ์นะแต่ถ้าปราถนาปกติสาวกมหาสาวกอักราสาวกปเจกโพธิยานสัมมาสัมโพธิยานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่กรดูกําลังตัวเองนะก็คือปรารถนาเพื่อพ้นทุกข์นั่นแหละอย่างเราก็คือเราเอาสั้นๆเลยเพื่อขอให้เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเทิดเนี่ยบางคนกลัวนะตรงเนี้ยพอปรารถนาอย่างนี้แล้วกลัวว่าเอาแล้วเกิดมาแล้วมันจะไม่รวยเราจะทํำยังไงไอ้กลัวเหตุมันทําแล้วนะว่าตานิสิตาทานเนี่ยนะไม่เรียกว่าทานบา ร, รมีหรอกเป็นทานกุศลสามัญธรรมดา เวลาส่งผลก็ให้รับความสุขเป็นมนุษย์เทวดานะไม่อาจจะให้ถึงมากผลได้อย่างเร็วได้ส่วนวิวัตตาณิสิตาทานก็เรียกทานนะทานบา ร, รมีเป็นต้นด้วยส่งผลก็สวยสุขในมนุษย์เทวดาสามารถให้ผลแก่มากผลนิพพานเป็นต้นได้ น, นี่ก็เป็นพิจารณานะถ้าหมวด3ก็จะบอกว่าฮีนาทานมาชิมาทานแล้วก็ปณีนิทานการทําบุญชั้นต่ําได้แก่การทําบุญที่มีความปรารถนาลาบยศสรรเสริญการยกย่อง อันนี้ยังต่ำอยู่นะเราเป็นแบบนั้นไหมเราปรารถนาราบโลดยอดสุขส ร, ร, ร็จรเสินไหมถ้าตั้งอัธยาศัยนี้เป็นหีนะทานธัามมะิมาทานก็คือปรารถนามนุษย์สมบัติเท e, วะสมบัติเป็นต้นปณีทานาก็ปรารถนาการพ้นจากวัฏทุกข์เป็นต้นในรายละเอียดตรงนี้อามาไม่เข้าไปเลยนะแต่ต้องการเล่าว่าอนาถาพินิการเศรษฐีท่านมีข้อมูลความเข้าใจในเรื่องทานเหล่านี้เป็นอย่างดี เราท่านทั้งหลายที่เราศึกษาในเรื่องของทานกันมาอย่างยาวไกลเนี่ยมาในแดนของผู้เป็นใหญ่ในการให้ทานเนี่ยก็ต้องเข้าใจทานให้ถูกต้องนะเป้าหมายของทา น, นากุศลจริงๆก็คือในเรามาอินเดียในเทียบเนี้ยนะเรามาเปิดโรงงานทานอกุศลเต็มไปหมดเลยใช้ผ้าไปวางเข้าไว้แล้วสถานที่ต่างๆไปไข่ควรไปพิจารณาบเบเส็จจนั้นเราจะไปที่คิดไปที่สถานที่ประสูติตัดสรู้แสดงธรรมจากสเสด็จ ด, ดับขันทปรินิพานหรือที่วัด เวรุวันว่าเชตะวันทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นโรงงานบุญของชาวพุทธทั้งหลายแต่เราท่านทั้งหลายมาตรงนี้เราก็ได้เปิดโรงงานบุญตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้พอในบ้านปลายสุดท้ายสมัยหนึ่งอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีตอนนั้นพระศาสดาประทับที่เชตะวันนรามของท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีพันรสาวัตถีสมัยนั้นอ น, อนาถาเนี่ยเป็นไข้ป่วยหนักทุกขเวทนาอย่างหนัก ก็เรียกบุรุษคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดูแลเนี่ยสั่งมาว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญทำไมอนาถาถึงพูดเพราะอย่างนั้นเพราะเป็นคนมีศีลไหมเป็นคนมีศีลถ้าอย่างเราคุยกับลูกน้องคุยยังไงถ้ามีลูกน้องอ่ะเฮ้ยว่างไงก็เอาของนี่เนี่ยแต่เมียพ่อมหาจำเริญพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับแล้วถวายบังคมพระบรมศาสดา กราบทูลพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยเสียงข้าวตามคําของเราและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาณาถาปินทิกากขึ้นหาบดีป่วยทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมบาดพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าขอกราบเท้าพระศาสดาไม่สามารถที่จะมาเฝ้าพระศาสดาได้ปกติถ้าเดินมาได้จะเดินมาขาดมาได้จะขาดมา คือถ้าท่านเดินมาได้ท่านจะเดินมาไหมเดินมาถ้าคานไม่ได้ท่านก็มาเพราะใจท่านนั้นอยู่กับพระบรมศาสดาถ้าอย่างเราเดินไปได้เราจะขึ้นรถมาไหมเป็นองน้ใช่ไหมอันนี้ศรัทธายัางไม่แรงเนะอันหนึ่งจงเข้าไปหาท่านภาษารีบุตรด้วยแล้วก็กราบทูลกราบเท้าท่านภาษารีบุตรตามคำของเราอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอนาถาปิณฑิกาเศรษฐี ป่วยทนทุกขเวทนาเป็นไข้หนักขอากาบเท้าท่านภาษาลิบุตรด้วยเสียงกล้าวและเรียนอย่างนี้อีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วขอท่านภาษาลิบุตรอาศัยความอนุเคราะห์ความเอ็นดูความการุณาเนี่ยนะเข้าไปในนิเวศของหรือบ้านของอาาถาปิณิกะคริษหบดีเถิดถ้าตรงอาาถาสถูปนั้นนะเป็นบ้านของท่านภาษาริบุตรก็ไปตรงนั้นแหละ ไปไปไปหาบุรุษนั้นรับคำอาราธนาของอรับคําของอนาถาพิณิกาเศรษฐีแล้วเข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาถวายบังคมนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่านั่งเรียบร้อยและกระการทูลพระบรมศาสดาอย่างที่อนาถาสั่งมานั่นแหละบอกว่านาถาขึ้นบดีป่วยทุกเวทนาเป็นไข้หนักขอถวายบังคมพระบรมศาสดาได้เสียงก้าวต่อจากนั้นก็เข้าไปหาภาษาลิบุตรกล่าวภาษาลีบุตรนทีนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ ไปเรียนกับภาษาริบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญานาถาปิณิกะนายของข้าพเจ้าป่วยหนักทนทุกเวทนาเป็นไข้หนักขอากาบเท้าท่านภาษาริบุตรด้วยเสียงกล้าวและสั่งมาอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญโอกาสเหมาะแล้วเวลานี่อากาศเหมาะแล้วอยากจะเห็นพระนะคนใกล้ตายอยากเห็นพระไหมถ้าเราเนี่ยใกล้ลม้มหายใจจะขาดแล้วอยากให้พระไปเยี่ยมหรืออยากให้พ่อแม่ไปเยี่ยมนะเอาอยัางไงเลี้ยง ถ้ากล้าจะตายอยากให้แฟนไปเยี่ยมหรืออยากให้พ่อแม่ไปเยี่ยมหรืออยากให้พระพุทธเจ้าไปเยี่ยมหรืออยากให้พระไปเยี่ยมอยากให้พระไปเยี่ยมนะถ้างั้นก็นิมนต์ราธนาท่านมหาอานาทก็บอกว่าบอกว่าเออถ้าจะท่านนะแต่ผมจะตายนี่อย่าลืมไปเยี่ยมมมหน่อยจะไหมถ้าพระไปเยี่ยมดีใจไหมบางคนใจเสียนะพระไปเยี่ยมต้องใส่ไม่รอดหรือมั้งเนี่ยพระมาก็ไม่เชิดเชิดอะไรอย่า ง, งเงี้ยคิดเงี้ยบางคนไปคิดแปลกแล้วแปลกมากนะ ก็ครั้งนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่แรกบอกจะมาสี่องยองกอ็สี่องค์ไม่ค่อยดีเลยว่าไงพากอธิบายฟังแล้วอธิบายอีกก็ยังหาว่าสี่องเป็นอัปมงคลได้อีกละ่าไปถือตัวเลขมันแปลกๆว่าเราไปถืออะไรเนี่ยสี่องสวดศพใช่ไหมเราไปคิดงั้นใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวเลยสี่องเนี่ยเขาเรียกครบองสงยิ่งดีใช่ไหม เราไปนึกว่าสี่องค์ไม่ดีซะนี่ฉะนั้นถ้าหากมีพระสี่องค์ไปที่บ้านรีบเปิดประตูต้อนรับโอ้ยเป็นบุญญาลาบเหลือเกินเนี่ยเวลาคนปลูกบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่เนี่ยก็จะนิมนต์พระไปพักกันนะสมัยก่อนเหินตั้งเกตดูวยในที่นี่โคธารามก็ดีในที่เวสาลีเป็นต้นเลยสันทาคารเวลาเขาปลูกเสร็จก็นิมนต์พระพุทธเจ้าสาวกริญญาไปอยู่กันเป็นคืน ให้ท่านไปเข้าสมาบัติไปเจริญกุศลเนี่เป็นบุญยา่าลาเันประเสริฐตรงนี้ก็คือเข้าไปยังนิเวศของอนาถาปินิกะท่านภาษาริบุตรก็รับด้วยดุษณีภาพครั้งนั่นแลท่านภาษาริบุตรนุ่งสสบงทรงจีโวบาทจีวรมีท่านพระรนรอนุ น, อ น, นเป็นปัจฉาสมณะพระอนุนตามหลังไปด้วยนั่นแหละเข้าไปในนิเวศในครือหาดของท่านเครืหาบดีเนี่ยนะ แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้แล้วพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกล่าวกับนาถาพินิการเศรษฐีดูก่อนคึนหนาสวัสดีพอทนพอเป็นไปได้หรือถามเลยเป็นยังไงป่วยหนักไหมเนีย่ยเข้าไปพาก็ไปถามทุกขเวทนาไม่กำเริบปรากฏทุเลาเป็นที่สุดไม่ปรากฏหรืออย่างไรบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงสุขภาพแข็งเป็นไงพอทนไหวไม่เป็นต้นอย่างนี้ อนาถะรายงานหนึ่งข้าแต่ท่านพระสารีบุตรชที่เจริญผมทนไม่ไหวแล้วแปลว่าแปลว่าป่วยจริงไหมอย่างเงี้ยบอกผมทนไม่ไหวแล้วเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของกระผมหนักมากกำเริบไม่ทุเลาปรากฏความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏว่าจากทุเลาเลยข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณนะกระทบกระหม่อมของกับผมเนี่ยลมนี่นะวิ่งไปเนี่ย กระทบบนกระหม่อมเนี่ยอย่างแรงเลยบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยธาตุลมเนี่ยวิ่งขึ้นบนศีรษะเนี่นะศีรษะเต้นอย่างนี้เลยนะปึ๊กๆๆๆเลยนะลมเนี่ยไม่ธรรมดานะนี่เหมือนกันท่านบอกลมเหลือประมาณกระทบกระหม่อมที่กระผมเพราะงั้นโอเปมาเหมือนบุรุษที่มีกําลังเนี่ยเอาของแหลมเอาของแหลมคมเนี่ยทิ่มกระหม่อมกระผมอ่ะ จนทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกขเวทนาของผมหนักกำเริบไม่ทุเราปรากฏมีความกำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏว่าทุเราเลยเหมือนคนเอาของแหลมกัทแทงศีรษะแทงใครเคยปวดหัวขนาดนั้นไหมปวดหัวเหมือนมีคนเอาเหล็กแหลมมาแทงที่หัวนี่เหมือนกันเนี่ยอนาถะบิณฑิกาท่านเป็นอย่างเนี้ยข้าแต่ภาษาริบุตรพูดเจริญลมเหลือประมาณเนะื้อเวียนศีรษะกับผมเนี่ยนะมันหมุนอยู่บนหัว เหมือนบลูดเนี่ยกำลังใช้การขันศรีรษะเขาเรียกขันสนอถ้าคนโบราณจะรู้จากคําว่าขันสน อ, อกขาขันกันยังไงยอสุวรรณรู้ไหมขันสนอขันยังไงเขาใช้เชือกในยอสุวรรณใช้เชือกมัดที่ศรีรษะแล้วก็ใช้ไม้สอดเข้าไปนี่นะสอดแล้วก็บิดบิดไม้บิดให้แน่นๆๆ่นแน่เงี้ยบีบหัวเข้าไปเนี่ยเหมือนอย่างที่อุบาสกท่านหนึ่งที่เป็นนายช่างเจรนเพชรเนี่ย รู้สึกว่าพระเจ้าประสิทิ์ที่โกศลหรื อ, อยังไงที่ว่าส่งเพชรไปให้เจรานายหรือส่งเพชรหรือเกี่ยวกับพลอยหรืออะไรทัพทีมหรืออะไรเนี่ยจําไม่ได้แล้วต่อมาที่ตอนนั้นกําลังทําอาหารอยู่มือเพื่อนเลือดก็เลยจับพลอยวางไว้ก่อนนกกรเรียนที่เลี้ยงก็ไว้อะในนั้นน่ยมันเห็นมันนึกว่าก้อนเนื้อก็เลยมาจิกกินเข้าไปวันนั้นพอเอิญพระที่เป็นยอมก็ศรัทธามากอ่ะ เป็นพระอุปถากษ์กัยอมอุปถากพระนี่นะคุ้นเคยกันมากเนี่ยก็ไปเยี่ยมอุบาศกพอไปถึงที่บ้านก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละว่าศกนี่ก็ทําอาหารนี่จะถวายพระนั่นไปไปมาเนี่ยเพชรมันหายไปก็เหลือกันสองคนใช่ไหมก็เลยมาถามพระเอ๊ะพระคุณเจ้าทีแรกก็ไม่กล้าถามเรเกรงใจเอ๊ะมันหายไปไหนเนี่ยก็เลยถามว่าเออท่านหยิบเพชรหยิบพลอยหยิบทับทิพเนี่ยไปไว้ไหนเนี่ย พระก็บอกบอกไม่รู้เ อ, อพระก็บอกพระก็พระก็ไม่พูดนะนะเพราะพระเห็นเนี่ยนกมันกินไปไปมาถามขยันก็ยองไงพระก็ไม่พูดไม่พูดก็นึกในใจโอ้โ oh, หผมก็รบท่านมานาเนี่ยท่านจะทําให้ผมวิบัติแต่แล้วเนี่ยไปไปมาก็จับพามัดขันซะนอนเลยจนตาถลนออกมาในเลือดไหลออกจากตาจาหมู่คนศรัทธากันเนี่ยฉะนั้นเน่ะที่นั่งนั่งเนี่ยที่ว่าศรัทธาพระเนี่ยนะ ามาถ้าเป็นปุถุชนนี่เป็นแบบเนี้ยนาเข้าหนาเข้าก็ขันหัวพัดเนี่ยที่นนั่งกัอยู่เนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่พูด <c oughs> เรื่องจริงเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันยังไม่ได้เหตุปัจจัยถ้าได้เหตุปัจจัยเมื่อไหร่นี่นะถามว่าถ้าตนเองคอจะขาดเนี่ยจะรักตนเองมากกว่ารักคนอื่นหรือเปล่ารักใครไมรักตนเองขึ้นมาเลยน่ะเข้านะเข้าโอ้พักก็พักก็ไม่ไหวแล้ว ไปไปมาก็เลือด ก, ก็ไหลน้องนอ้นองนกกระเรียนก็มาก็มาโกรดนกกระเตะนนกกระเด็นไปตายถ้าก็บอกให้หยุดก่อนเนบอกหยุดก่อนเนี่ยนกตายแล้วบอกรั่วตายแล้วแต่ท่านก็จะตายด้วยเดินองเงี้ยเนี่ยบอกนั่นแหะนกนั่นแหละต้องผ่าดูแล้วกินพรอยทับทิมกของท่นไปแล้วก็เลยไปผ่าดูว่าเห็นเรียบร้อยแปลว่าทำบาปไปหรือยัง เรียบร้อยแล้วพระก็อยู่ต่อมาพระก็มาแล้ว น, นะพระอย่างเงี้นะอันนี้ท่านก็บอกว่าท่านทรมานมากไม่ทุเราเลยว่างั้นเดียลมเหลือประมาณเนี่ยกระทอกกระหม่อมแล้วก็ลมเหลือประมาณเวียนศีรษะท่านอย่างกับคนขันสนอว่างั้นนะกระผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวทุกเวทนากรรเริบหนักไม่ทุเราปรากฏเป็นของกรรเริบที่สุดไม่ไม่ทุเราเลย ข้าแต่ภาษาริบุตรผู้เจริญลมเหลือประมาณเนะื้อปั่นป่วนท้องของกระผมเหมือนคนฆ่าโครหรือสิทธิ์ของคนฆ่าโคอะคนฆ่าโครหรือสิทธิ์ของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเอามีดเนี่ยแล่โคอันคมเนี่ยควานท้องเช่นั้นก็ว่ามลมเนี่ยนะเวลามันวิ่งวิ่งในท้องเนี่ยเหมือนอย่างใช้มีดเน่ะใช้มีดตัดเนี่ยบอกโหทนไม่ไหวมันบิดไสไปหมดเลยอะบิดไส้เนี่ยอย่า ยอมหลายๆคนยังไม่เคยป่วยกันขนาดนั้นเนี่ยป่วยขนาดที่ว่าบิดนอนกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยเหมือนกับคนเอาเอามีดที่คมมาตัดในท้องขาดหมดงั้นเนี่ยนี่แปลว่าอะไรเนี่ยข่าแต่พระส า, ารีบุตรผู้เจริญความร้อนความร้อนเนี่ยนะท่านบอกบอกว่าทุกขเวทนาไม่ทุเราปรากฏเป็น คำเริบเป็นที่สุดไม่ปรากฏทุเลาเลยข้าแต่พระสาริบุตรผู้เจริญความร้อนเกิดในกายของกระผมเหลือประมาณเหมือนบุุษที่มีกำลังสองคนจับบุุษที่มีกำลังน้อยกว่านั่นแหละเาไว้วะป้องกันตัวต่างๆแล้วนาบย่างในหลุมฐานเพลิงฉะนั้นผมทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวตรงนี้ก็คือว่า้องคิดดูนะว่าธาตุลมก็คำเริบโหมเข้ามาทุกจุด ที่ท้องที่หัวใจที่หัวที่ศรีรษะไอ้ธาตุไฟก็กำเริบเอาถ้าไฟมันกําลังลุกอยู่เนี่ยเอาลมมาพัดแรงๆเนี่ยมันจะเป็นไงมันยิ่งทุกทรมานไหมไฟยิ่งลุกไหมไฟก็ยิ่งลุกแม้ฉันใดกรณีที่ท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีอ่ะถ้าเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าคนทําบุญมาก แต่ไม่น่าได้รับทุกขเวทนาอย่างนี้เลยใช่ไหมเอาที่ค้นขนาดปูแผ่นเงินเนี่ยนะปูเงินแต่เต็มพื้นเชตวันเนี่ยนะแต่ทำไมบ้านปลายชีวิตจริงต้องมาทุกทรมานถึงป่านนี้เข้าใจคำว่าสังขารหรือยังเข้าใจว่าการมีตาหูจมูกเล่นกายใจก็มันเป็นที่รองรับของธาตุดินธาตุน้ำธาตุก็ในนี้มีธาตุดินใช่ไม มีธาตุน้ําใช่ไหมมีธาตุไฟใช่ไหมมีธาตุลมใช่ไหมมันแล้วแต่ว่าธาตุไหนมันจะกำเริบแปลงอย่างเราที่ที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยบางคนมีปัญหากระธาตุดินเยอะเนี้ยสภาพที่หนักสภาพที่แข็งเนี่ยกระด้างเนี่ยเพราะธาตุดินเนี่ยมันมีลักษณะยังไงมีลักษณะแข็งกระอ่อนมีลักษณะหนักกระเบาใช่ไหมมีลักษณะหยาบใช่ไหม ถ้าหากธาตุลมอ่ะผักดันกระแทกถ้าธาตุไฟล่ะเผาไหม้ใช่ไหมถ้าธาตุลมอ่ะก็เผาธาตุน้ําก็คือไหลเอิบอมอาบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะถ้าธาตุน้ํากําเริบก็เป็นพวกฝีพวกหนองพวกอะไรต่างๆเปื่อยพวกเน่าทั้งหลายแล้วเนี้ยนะถ้ามันเล่นงานเนี้ยนะถ้าธาตุไฟก็เนี่ยทรมานอย่างที่ท่านานาตาบินที่กับเป็นอยู่เนี้ยท่านบอกว่า